อะไรจะจริงยิ่งกว่าธรรมะอย่างเรื่องของท่านอาจารย์มั่นเนี่ยลองดูสิผมยอมรับว่าสุดวิสัยก็ตะเกียกตะกายไปอย่างนั้นเองถ้าเป็นธรรมะส่วนละเอียดละเอียดจะเป็นไปได้แต่งไปได้เขียนไปได้ยังไงลองดูสิธรรมะภายในจิตใจเป็นของละเอียดละ อ, อสุด ข, ขมมาก แม้จะเป็นธรรมะอันเดียวกันก็ตามกับในพระไตรปิฎกเราไม่ได้ประมาทพระไตรปิฎกแต่ละเอียดสุ ข, ขุมยิ่งเข้าไปกว่านั้นอีกเพราะพระไตรปิฎกนี้ขึ้นอยู่กับผู้จดจารึกยังได้เอามาถกเถียงกันอยู่ทุกวันนี้คนมีกิเลสไปอ่านพระไตรปิฎกไปเรียนพระไตรปิฎกเช่นอภิธรรมเนี่ยถกเถียงกันยุ่งไปหมดเห็นไหมนั่น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 คนตายดีๆคนตาบอดไปคลำคลำตรงไหนก็ว่าช้างเหมือนนั้นเหมือนนี้ไปก็อย่างนั้นแหละไกลเรียนที่ตรงไหนก็ไปยึด ก, กรรมสิทธิ์โหดอำนาจความรู้ความฉลาดของตนขึ้นจากความจำนั้นแฝงความจำไปอีกเป็นป ล, มปลอมๆไปอีกเอามาโต้กันเซยเป็นบ้านนําลายโดยไม่รู้สึกตัว ถ้าหากปฏิบัติให้รู้ตามความจริงของธรรมที่ท่านสอนไว้การประพฤติธรรมทั้งหมดอยู่ที่ไหนจิตเจตสิกรูปนิพพานนอกเหนือไปจากจิตนี้กับกายนี้ได้ยังไงเจตสิกก็ให้คิดน่ะจิตก็อะไรรู้ๆอยู่ทุกวันนี้รูปก็รูปอะไรรูปธรรมนามธรรมาก็เท่านั้น ก็จะไปถามใครไปโตเถียงกันนี่เสียเวลาเวลาทาไมถ้าไม่ใช่ตาบอดคลำช้างท่านให้ปฏิบัติสิให้รู้สิใครรู้มากน้อยเท่าไรอ่านหารทำไมจะไม่อ่านหารสัมผัสด้วยใจรู้ด้วยใจเพราะปฏิบัติด้วยใจนี่ใจเป็นผู้ปฏิบัติใจเป็นผู้ค้นคว้านทธรรมทั้งหลายในกิเลสทั้งหลาย ต้องรู้ทั้งกิเลสหยาบกลางละเอียดรู้ทั้งธรรมอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดสุดสิ้นพ้นความละเอียดไปจนถึงความบริสุทธิ์จะได้รู้ที่ใจอะไรจะเป็นผู้รู้อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดที่เสียเว ล, เวลาเราพูดด้วยความแน่ใจอย่างนี้เองเราไม่ได้ประมาทปริยัติธรรม เราไม่ประมาทเราถือเรากราบเราไหว้สนิทใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมที่ไม่ใช่ในตำรานั้นและพระสงฆ์สาวกอรหัตอรหันท่านเรากราบสนิทใจด้วยกันเราไม่ได้ประมาทธรรมทั้งหลายขอให้รู้ที่ใจมันยิ่งสนิทลงไปอีกกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบสนิทยิ่งกว่าอะไรอีก ขอให้จิตสนิท ต, ตัวเธอทำอะไรอะไรสนิททั้งนั้นถ้าจิตไม่สนิทแล้วทำอะไรมันก็ดีดๆดิ้นดิ น, ดนมันไม่จริงไม่จังถ้าจิตเข้าถึงความจริงซะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ดีดไม่ดินจริงจังไปด้วยกันทั้งหมดอะไรจะจริงยิ่งกว่าธรรมะใจเป็นผู้ทรงธรรมธรรมะกับใจอยู่ด้วยกัน การแสดงออกจะมีลุ่มๆุมดนดอนมีเด็ดๆดดิ้นดิ้นหลอกๆลวงลวงได้ยังไงมันต้องเป็นจริงออกมาทุกอย่างทุกอย่างพูดออกมาก็อาจหารถ้าได้รู้ไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิและไม่ว่าสมาธิขั้นใดผู้รู้ต้องอาจหารเพราะรู้ด้วยตัวเองนี่พูดออกมาด้วยความรู้ความเห็นของตัวเองถอดออกมาจากหัวใจนี้จะสะทกสะานไปไหน ความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่สนใจนั่นถึงเรียกว่าสันทิทธิโกได้เห็นพระจักด้วยตัวเองแล้วจะว่าไง